สันเลขาสูตรว่าด้วยทำเครื่องขัดเกลากิเลสข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาจุนทะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญมีทิฏฐิหลายประการในโลกเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกวาทะบ้างเมื่อภิกษุมานาิการเพียงเบื้องต้นก็นละสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นได้อย่างนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจุนทะมีทิฏฐิหลายประการในโลกเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกวาทะบ้างเมื่อภิกษุเห็นอารมณ์เป็นที่เกิดขึ้น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 อุปชาญสีและอรูปรชาญสีจุนทะเป็นไปได้ที่พิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้สงัดจาักกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมชาญที่มีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคือปฐมชาญนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาขิเลสในอริยวินยัย แต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะวิตกวิจาร์สงบรงงะงับไปภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานซึ่งมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุนั้นพึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่า เราอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลาขีเลธธรรมคือทุติยชานี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาขีเลธในอริยวินยัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินยัยเป็นไปได้ที่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสะวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอเพึองมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลาเกเลตธรรมคือตติยฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเกเลตในอริยวินยัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินยัยเป็นไปได้ที่เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอเพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเกเลตธรรมคือจตุตฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเกเลตในอริยวินยัยแต่เรากล่าวว่า เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เธอเพึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเกเลส ธรรมคืออากาสาญจายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงอากาสาณจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุวิญญาณณจายตนะฌานโดยกาหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า เราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาวกิเลต ธ, ธรรมคือวิญญาณัญจายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเกลเลตในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ เธอเพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเกเลตธรรมคืออากินจัญยายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเกเลตในอริยวินยัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในอริยวินยัยจุนทะเป็นไปได้ที่เพราะล่วงอากินจัญยายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้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 ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสจุนทะในการเบียดเบียนกันเป็นต้นนี้เธอทั้งหลายควรทําความขัดเกลากิเลสคือเธอทั้งหลายควรทําความขั C Honestly, ดเกลากิเลสโดยคิดว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันละถึงชนเหล่าอื่นจากฆ่าสัตว์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจากเว้นจากการฆ่าสัตว์ ช, ชนเหล่าอื่นจากลักทรัพย์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจากเว้นจากการลักทรัพย์ชนเหล่าอื่นจากไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจากประพฤติพรหมจรรย์ชนเหล่าอื่นจากพูดเท็จในเรื่องนี้เราทั้งหลายจากเว้นจากการพูดเท็จชนเหล่าอื่นจากพูดส่อเสียดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจากเว้นจากการพูดส่อเสียดชนเหล่าอื่นจากพูดคาหยาบ Umn. ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกเว้นจากการพูดคำหยาบชนเหล่าอื่นจะพูดเพ้อเจ้อในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกเว้นจากก sort of ารพูดเพ้อเจ้อชนเหล่าอื่นจกเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นชนเหล่าอื่นจกมีจิตพยาบาทในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่มีจิตพยาบาท ชนเหล่าอื่นจะมีความเห็นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความเห็นชอบชนเหล่าอื่นจะมีความด âm ริผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความด âm ริชอบชนเหล่าอื่นจะเจรจาผิาดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเจรจาชอบชนเหล่าอื่นจะมีการกระทําผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีการกระทําชอบ ชนเหล่าอื่นจะมีการเลี้ยงชีพผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีการเลี้ยงชีพชอบชนเหล่าอื่นจะมีความพยายามผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความพยายามชอบชนเหล่าอื่นจะมีความระลึกผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความระลึกชอบชนเหล่าอื่นจะมีการตั้งจิตมั่นผิดในเรื่องนี้น sort of นเราทั้งหลายจะมีการตั้งจิตมั่นชอบ ชนเราอื่นจะมีมิจฉาญาณะความรู้ผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความรู้ชอบชนเราอื่นจะมีมิจฉาวิมุตตความหลุดพ้นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความหลุดพ้นชอบชนเราอื่นจะถูกความหดหู่และเสื่องซึมครอบงำในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะปราศจากความหดหู่และเสื่องซึม ชนเราอื่นจะมีจิตฟุ้งซ่านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกมีจิตไม่ฟุ้งซ่านชนเราอื่นจะมีความสงสัยในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกข้ามพ้นความสงสัยชนเราอื่นจะมีความโกรธในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีความโกรธชนเราอื่นจกผูกโกรธในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่ผูกโกรธชนเราอื่นจกลบหลู่คุณท่านในเรื่องนี้ <Jub ilee> เราทั้งหลายจะไม่ลบหลู่คุณท่านชนเหล่าอื่นจกตีเสมอในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่ตีเสมอชนเหล่าอื่นจะมีความริษยาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีความริษยาชนเหล่าอื่นจะมีความตรณีในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีความตรณีชนเหล่าอื่นจกโอ้อวดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่โอ้อวด ชนเหล่าอ pues ื่นจกมีมารยาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่มีมานยาชนเหล่าอ <|si|> ื่นจกดื้อรั้นในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่ดื้อรั้นชนเหล่าอื่นจกถือตัวจัดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่ถือตัวจัดชนเหล่าอื่นจกว่ายากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกว่าง่ายชนเหล่าอื่นจกมีมิรชั่ว ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีมิตรดีชนเหล่าอื่นจกประมาทในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่ประมาทชนเหล่าอื่นจะไม่มีศรัทธาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกมีศรัทธาชนเหล่าอื่นจะไม่มีความละอายบาปในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกมีความละอายบาปชนเหล่าอื่นจะไม่มีความเกรงกลัวบาปในเรื่องนี้ เราทั้งหลายจกมีความเกรงกลัวบาปชนเหล่าอื่นจะมีการได้ยินได้ฟังน้อยในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกมีการได้ยินได้ฟังมากชนเหล่าอื่นจกเกียดคร้านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกปรารบความเพียรชนเหล่าอื่นจกมีสติหลงลืมในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกมีสติตั้งมั่นชนเหล่าอื่นจกมีปัญญาสามในเรื่องนี้ เราทั้งหลายจักสมบูรณ์ด้วยปัญญาเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลด้วยความคิดว่าชนเราอื่นจักยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ง่ายจุนทะเรากล่าวว่าแม้จิตตุบาทก็มีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงการกระทําด้วยกายและพูดด้วยวาจาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายควรมีความคิดว่าชนเหล่าอื่นจกเบียดเบียนกันในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนกันละถึงชนเหล่าอื่นจกฆ่าสัตว์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงเธอทั้งหลายควรมีความคิดว่าชนเหล่าอื่นจกยึดติด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 จะพึงมีทางที่ราบเรียบอื่นเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยงอันหนึ่งท่าน้ำที่ขรุขระจะพึงมีท่าน้ำที่ราบเรียบอื่นเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยงแม้ฉันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เบียดเบียนเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางหลีกเลี่ยงสาหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดคาหยาบ เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดคำหยาบเจตนางดเว้นจากการพูดเพลอเจ้อเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเพลอเจ้อความไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นความไม่พยาบาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีจิตพยาบามสัมมาทิฏฐิ เป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบ네ุคคลผู F F ้มีความเห็นผิดสัมมาสังกัปปะเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้มีความดําริผิดสัมมาวาจาเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้เจรจาผิดสัมมากัมมันตะเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้มีการกระทําผิดสัมมาอาชีวะเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้มีการเลี้ยงชีพผิด สัมมาวายามะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความพยายามผิดสัมมาสติเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความระลึกผิดสัมมาสมาธิเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีการตั้งจิตมั่นผิดสัมมาญาณะความรู้ชอบเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความรู้ผิดสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบ เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความหลุดพ้นผิดความเป็นผู้ปราศจากความหดหู่และเสื่องซึมเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ถูกความหดหู่และเสื่องซึมครอบงำความไม่ฟุ้งซ่านเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธเป็นทางหลีกเลี่ยงสาหรับบุคคลผู้มักโกรธ ความไม่ผูกโกรธเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้ผูกโกรธความไม่ลบหล cast, มมู่คุณท่านเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านความไม่ตีเสมอเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้ตีเสมอความไม่ริษยาเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้มีความริษยาความไม่ตรณีเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้ตรณีความไม่อโอดเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้อ้อด ความไม่มีมานยาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีมานยาความไม่ดื้อรั้นเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ดื้อรั้นความไม่ถือตัวจัดเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ถือตัวจัดความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตีเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีมิตชั่วความไม่ประมาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ประมาท ศรัทธาศรัทธาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาหิริความละอายบาปเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความละอายบาปโอตปะความเกรงกลัวบาปเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่เกรงกลัวบาปพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังน้อย การปปารบความเพียรเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีสติหลงลืมความสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาสามความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ยึดติดถือมั่นทิฐิของตนและสลัดทิ้งได้ยาก จุนทะอกุศลธรรมทั้งหมดเป็นธรรมนำบุคคลไปสู่ความเสื่อมแต่กุศลธรรมทั้งหมดเป็นธรรมนำบุคคลไปสู่ความเจริญแม้ฉันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นทางเพื่อความเจริญสำหรับบุคคลผู้เบียดเบียนเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางเพื่อความเจริญสำหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นทางเพื่อความเจริญสาหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์ และถึงความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือมันทิฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางเพื่อความเจริญสำหรับบุคคลผู้ยึดติดถือมันทิติของตนและสลัดทิ้งได้ยากอุบายเพื่อความดับสนิท จุนทะเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองจมอยู่ในเปลือกตมลึกจากยกบุคคลอื่นผู้จมอยู่ในเปลือกตมลึกขึ้นได้เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองไม่จมอยู่ในเปลือกตมลึกจากยกบุคคลอื่นผู้จมอยู่ในเปลืกตมลึกขึ้นได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองไม่ฝึกตนไม่แนะนําตนไม่ดับสนิท จกฝึกสอนผู้อื่นแนะนำผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับสนิทได้เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองฝึกตนแนะนำตนดับสนิทจกฝึกผู้อื่นแนะนำผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับสนิทได้แม้ฉันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้เบียดเบียนเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางเพื่อความดับสนิทสาหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำห ร, รับบุคคลผู้พูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้พูดส่อเสียด เจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้พูดคำหยาบเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อความไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นความไม่พยาบาทเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีจิตพยาบาท สัมมาทิฏฐิเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบคุคคลผู้มีความเห็นผิดสัมมาสังกัปปะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความด âm ริผิดสัมมาวาจาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เจรจาผิดสัมมากรรมมันตะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีการกระทำผิดสัมมาอาชีวะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีการเลี้ยงชีพผิด สัมมาวายามะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความพยายามผิดสัมมาสติเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความระลึกผิดสัมมาสมาธิเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีการตั้งจิตมั่นผิดสัมมาญาณะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความรู้ผิดสัมมาวิมุตติเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความหลุดพ้นผิด ความเป็นผู้ปราศจากความหดหู่และเสื่อมซึมเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ถูกความหดหู่และเสื่อมซึมครอบงำความไม่ฟุ้งซ่านเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มักโกรธ ความไม่ผูกโกรธเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้ผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านความไม่ตีเสมอเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้ตีเสมอความไม่ริษยาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้มีความริษยาความไม่ตรณีเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้ตรณี ความไม่อ้วอวดเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้อ้วอวดความไม่มีมารยาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีมารยาความไม่ดื้อรั้นเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ดื้อรั้นความไม่ถือตัวจัดเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ถือตัวจัดความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นทางเพื่อความดับสนิทสาหรับบุคคลผู้ว่ายาก ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีมิตรชั่วความไม่ประมาทเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ประมาทศรัทธาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาหิริเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความละอายบาปโอตปะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่เกรงกลัวบาปพาหุสัจ เป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู an, <IS> <like> ้ได้ยินได้ฟังน้อยการแปารบความเพียนเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้เกลียดคร้านความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้มีสติหลงลืมความสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้มีปัญญาสามความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่าย เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ยึดติดถือมันทิฐิของตนและสลัดทิ้งได้ยากจุนทะเราได้แสดงเหตุแห่งธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเหตุแห่งจิตตุบาทเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเหตุแห่งการไปสู่ความเจริญและเหตุแห่งความดับสนิทไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้เราผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์สาวกทั้งหลาย ได้ทำกิจที่ควรทำแก่เธอทั้งหลายแล้วจุนทะนั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษ์เถิดอย่าประมาทอย่าได้เดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคําพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้วท่านพระมหาจุนทะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล พระผู้มีพระภาคตรัสบทสี่ิบสี่บททรงแสดงสนธิหพระสูตรนี้ชื่อสันเลขสูตรลุ่มลึกเปรียบด้วยสาครสันเลขสูตรที่แปดจบ สัมมาทิฏฐิสูตรว่าด้วยความเห็นชอบข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑกะเศรษฐีเคกกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรื่องภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีคนกล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุอะไรบ้างพระอริยสาวกจึงชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพวกกระผมมาจากที่ไกลก็เพื่อจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพาสิทธนั้นในสำนักของท่านพระสารีบุตร ผู้ ก, กระผมขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรจงอธิบายเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังคําอธิบายของท่านแล้วจักทรงจําไว้ได้ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่า เรื่องอากุศลและกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอากุศลและรากเง่าแห่งอากุศลรู้ชัดกุศลและรากเง่าแห่งกุศลเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อกุศลเป็นอย่างไร รากเง่าแห่งอกุศลเป็นอย่างไรกุศลเป็นอย่างไรรากเง่าแห่งกุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์เป็นอกุศลการลักทรัพย์เป็นอกุศลการประพฤติผิดในการมเป็นอกุศลการพูดเท็จเป็นอกุศลการพูดส่อเสียเป็นอกุศลการพูดคำหยาบเป็นอกุศลการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นอกุศล การคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นอกุศลมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลนี้เรียกว่าอกุศลรากเง่าแห่งอกุศลเป็นอย่างไรคือโลภะความโลภเป็นรากเง่าแห่งอกุศลโทสะความคิดประทุษร้ายเป็นรากเง่าแห่งอกุศลโมหะความหลงเป็นรากเง่าแห่งอกุศลนี้เรียกว่ารากเง่าแห่งอกุศลกุศลเป็นอย่างไรคือ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลการไม่เพิงเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นกุศล การไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลนี้เรียกว่ากุศลรากเงาแห่งกุศลเป็นอย่างไรคืออโลภะความไม่โลภเป็นรากเงาแห่งกุศลอโทสะความไม่คิดประทุษร้ายเป็นรากเงาแห่งกุศลอโมหะความไม่หลงเป็นรากเงาแห่งกุศลนี้เรียกว่ารากเงาแห่งกุศล เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเง่าแห่งอกุศลอย่างนี้รู้ชัดกุศลและรากเง่าแห่งกุศลอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือราคะบันเทาปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือปฏิคะทอนทิถานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือทิฐิและมานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือมานะที่ว่าเป็นเรา โดยประการทั้งปวงและอาวิชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสนแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้ เรื่องอาหารภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิกของท่านพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าอธิบายแม้อย่างอื่นเป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่ เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้อาหารเป็นอย่างไรเหตุเกิดอาหารเป็นอย่างไรความดับแห่งอาหารเป็นอย่างไร ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารเป็นอย่างไรคืออาหารสี่ชนิดนี้ย่อมมีเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. นึกวริีการาอาหารอาหารคือคำข้าวยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อผัสสาหารอาหารคือการสัมผัส 3. มโนสันเจตนาหารอาหารคือความจงใจ 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเพราะตันหาเกิดเหตุเกิดแห่งอาหารจึงมีเพราะตันหาดับความดับแห่งอาหารจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจาสสัมมากัมมันตะหสัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะเจสัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารได้เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบันเทวปฏิคานุสัย ทอนทิฏฐานุัยและมานานุัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงและอวิชชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันนี้เองแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้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 เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดทุกขสภาวะที่ทนได้ยากทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทุกขานิโรธความดับทุกข์ทุกขานิโรธคาม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้ทุกเป็นอย่างไร ทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรทุกขนิโรธเป็นอย่างไรทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โซกะปริเทวะทุกขโทมานต์อุบายาเป็นทุกขการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์การแพ้พลากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรคือตันหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตันหาความทยานอยากในกามภาวะตันหาความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตันหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่ นี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขนิโรธเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานี้เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธถ้าคาไม่มีปฏิปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง8สัมมาสมาธิ นี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดทุกขทุกขสมุทัยทุกขนิโรธและทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยทอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงและอวิชชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้น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 เรื่องชาราและมรณะภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาษิทธิของท่านพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าอธิบายแม้อย่างอื่นเป็นเุชีบอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่หรือ ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสนแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ ชราและมรณะเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งชราและมรณะเป็นอย่างไรความดับแห่งชราและมรณะเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเป็นอย่างไรชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคล่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งงอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ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 ชราและมรณะดังกล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าชราและมรณะเพราะชาติเกิดเหตุเกิดแห่งชราและมรณะจึงมีเพราะชาติดับความดับแห่งชราและมรณะจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง8สัมมาสมาธินี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงละถึงเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรง มีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้เรื่องชาติภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาสิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่า และถึงจะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้ ชาติเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งชาติเป็นอย่างไรความดับแห่งชาติเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเป็นอย่างไรความเกิดความเกิดพร้อมความอย่างลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชาติเพราะพบเกิดเหตุเกิดแห่งชาติจึงมีเพราะพบดับ ความดับแห่งชาติจึงมีอริยมรตมีองค์8ปดเด็แกแย่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาส ม, มาธินี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงละถึง เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้